หสุราปานวักหมวดว่าด้วยการดื่มสุราหนึ่งสุราปานสิกขาบทว่าด้วยการดื่มสุราและเมรยัยเรื่องพระสาคขตะต์สาสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าสเสด็จจาริกอยู่ในแคว้นเจตีสเสด็จไปทางหมู่บ้านพัฒวดีพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาพวกคนเดินทางได้เห็นพระผู้มีพระภาคทรงดำเนินมาแต่ไกล ครั้นเห็นแล้วจึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญพระองค์อย่าเสด็จไปที่ท่าอัมพะติถะเลยนาคมีริดมีพิษที่เขี้ยวมีพิษกล้าอาศัยอยู่ที่อาสมของฉดินที่ท่าอัมพติถะนาคนั้นอย่าทําร้ายพระผู้มีพระภาคเลยพระพุทธเจ้าข้าเมื่อพวกเขากล่าบทูลเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงนิ่งแม้ครั้งที่สอง แม้ครั้งที่สามพวกคนเลี้ยงโคพวกคนเลี้ยงปศุสัตว์พวกชาวนาพวกคนเดินทางก็ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระองค์ผู้เจริญพระองค์อย่าเสด็จไปที่ท่าอัมพัทิฐะเลยนาคมีฤทธิ์มีพิธีเคี้ยวอาศัยอยู่ที่อาสมของชดินที่ท่าอัมพัทิฐะนาคนั้นอย่าทําร้ายพระผู้มีพระภาคเลยแม้ครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงนิ่ง ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลำดับจนถึงหมู่บ้านพัทวดีประทับอยู่ณหมู่บ้านพัทวดีนั้นครั้งนั้นท่านพระสาคตะเดินเข้าไปที่ท่าอัมพติถฐาจนถึงอาสมของชดินรั้นถึงแล้วได้เข้าไปในโรงบูชาไฟปูเครื่องลาดหญ้าและจึงนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าพ่อนักนั้นเห็นท่านพระสัตะ เข้ามาแล้วก็เป็นทุกข์เสียใจจึงทำให้ควันตลบขึ้นแม้ท่านพระสาคตะก็ทำให้ควันตลบขึ้นบ้างนาคนั้นทนการลบหลู่ไม่ได้จึงพ่นไฟสู้แม้ท่านพระสาคตะก็เข้าเตโชกสินพ่นไฟสู้บ้างทีนั้นท่านพระสาคตะคันปราบเดชของนาคนั้นได้แล้วจึงเดินไปทางหมู่บ้านพัฒวดีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะ หมู่บ้านพัฒวดีตามพระอัธยาสายแล้วจึงเสด็จจาริกไปทางกรุงโกสัมพีพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมพีทราบข่าวว่าพระสาคตะต่อสู้กับนาคที่ท่าอัมพติฐะสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปโดยลําดับจนถึงกรุงโกสัมพีทีนั้นพวกอุบาสกและอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมพีพากันรับเสด็จพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านพระสาคขะต ไหว้แล้วยือนอยู่หน้าที่สมควรพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมพีผู้ยือนอยู่หน้าที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสากขตาดังนี้ว่าท่านผู้เจริญสิ่งที่หาได้ยากและเป็นที่ชอบใจของพระคุณท่านมีอะไรบ้างพวกข้าพเจ้าจะจัดเตรียมอะไรเมื่ออุบาสกอุบาสิกากล่าวอย่างนี้พวกพิสุชาพาคีได้กล่าวกับพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมพีดังนี้ว่า มีอยู่ท่านทั้งหลายหัวเชื้อสุราชื่อกาโปติกะหายากเป็นที่ชอบใจของภิกษุทั้งหลายพวกท่านจงจะเตรียมหัวเชื้อสุราชื่อกาโปติกะนั้นไว้ครั้งนั้นพวกอุบาสกอุบาสิกาชาวกรุงโกสัมพีจัดเตรียมหัวเชื้อสุราชื่อกาโปติกะไว้ทุกครัวเรือนพอเห็นท่านพระสาคตะเดินพิณทบาทจึงได้กล่าวกับท่านพระสาคตะดังนี้ว่า พระคุณเจ้าขออนิบบนพระคุณเจ้าสาคตะดื่มหัวเชื้อสุราชื่อกาโปติกะเถิดพระคุณเจ้าขออนิบบนพระคุณเจ้าสาคตะดื่มหัวเชื้อสุราชื่อกาโปติกะเถิดครั้นท่านพระสาคตะดื่มหัวเชื้อสุราชื่อกาโปติกะทุกๆครัวเรือนแล้วออกจากเมืองได้ล้มกลิ้งที่ประตูเมืองลําดับนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกมาพร้อมกับภิกษุหลายรูปและทอดพระเนตรเห็นท่านพระสาคตะนอนกลิ้งอยู่ที่ประตูเมือง ท่านเห็นแล้วจึงรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงพาสาคตะไปภิกษุทั้งหลายรับสนองพระพุทธดำรัสแล้วช่วยกันนําท่านพระสาคตะไปที่อารามให้นอนหันศีรษะไปทางพระผู้มีพระภาคแต่ท่านพระสาคตะพิกกลับนอนหันเท้าไปทางพระผู้มีพระภาคทีนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย ก่อนนี้สางตะเคยมีความครบรอบยำเกรงตถาคตมิ ใ, ใช่หรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้สางตะยังมีความครรอบยำเกรงตถาคตอยู่อีกหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่มีเลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายสาคตะต่อสู้กับนาคที่ท่าอัมพติถะมิใช่หรือ ภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้สักตาพอจะต่อสู้แม้กับงูน้ําได้ละหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าสู้ไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าน้ําที่ดื่มเข้าไปแล้วทําให้ความจําได้หมายรู้วิปริตไปนั้นควรจะดื่มหรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ควรดื่มเลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า